แปลงมาเป็นภาษาสันสกฤษษกตก็คือศึกษานะศึกษากับศึกษานี่จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันศึกษาเป็นบาลีศึกษาเป็นสันสกฤตแต่ว่าศึกษาที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นการอ่านการเขียนกันไปแต่ว่าศิกษาที่ใช้ในควาว่าไตรศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยตรง อธิษฐาก็มี3ามนะศีล ส, สมาธิปัญญาหรือถ้าพูดให้เต็มยศก็เรียกว่าอธิศีอสิกขาอาธิ จ, จิตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาอาธิไปว่ามากทําให้เพิ่มขึ้นก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อทําให้ศีลเจริญงอกงามการปฏิบัติที่ทําให้จิตเจริญงอกงามการปฏิบัติที่ทําให้ปัญญาเจริญงอกงาม คำว่าศึกษานี่ยังใช้กับวินัยของพระนะวินัยนี่มันเป็นคําเรียกรวมๆถ้าแจกแจงเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อเราเรียกว่าศึกขาบทคือบทศึกษาหรือว่าข้อปฏิบัตินั่นเองนะเวลาแปลว่าบทศึกษานี่ก็งงๆนะแต่ถ้าเราแปลว่าข้อปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายไตรศึกขานะีศีลสมาธิปัญญา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 แต่สังคุรสี่เนี่ยก็มีตัวตัวที่เป็นฐานนะก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่นี่ก็คือเมตตากรุณนาะมุติเตาเบคาส่วนใหญ่มันหมายถึงคุณภาพจิตนะนี่ถ้าเราเกิดมีทั้งพรหมวิหารสีแล้วก็สังคบุตรสี่เนี่ยก็ทำให้เราไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครทาให้เกิด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 จิตที่พัฒนาและการมีศีลที่พัฒนาหรือว่าเวลามีความขัดแย้งกับใครเนี่ยนะหรือว่าใครที่จะมามุ่งร้ายกับเรานะเมื่อเราปฏิบัติกับเขานะด้วยด้วยธรรมะนะด้วยความเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่มันก็ทำให้สามารถจะเปลี่ยนเขาจากศัตรูเป็นมิตรได้อย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าเอาชนะความชั่วเอาชนะคนชั่ว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 เพลิดในความสนุกนะนี่ถ้าเกิดว่ า, ามีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญตจสิกขาโดยเฉพาะในเรื่องของอธิจิตตสิกขาหรือสมาธิเนี่ย mm hmm. ก็จะมีสติรู้นะสะติเนี่มันจะมาทําให้รู้รู้กายถ้าเรามีสติดีเราก็จะรู้ว่ากายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วกายมันบ่นแล้วแต่ว่าถ้าเรา ลุ่มหลงนะจนลืมตัวเนี่ยกายมันมันร้องอุทธรอย่างไงก็ไม่รู้จิตนี่ยังทํร้ายกายในหลายวิธีด้วยกันนะเช่นจิตที่เก็บสะสมความโกรธเอาไว้จิตที่ไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเก็บสะสมความโกรธความเครียดเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายนี้ป่วยนะป่วย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 การทำงานต่างๆของร่างกายดีขึ้นภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นหรือบางทีก็ช่วยทําให้ความปวดกายทุเลาลงคุณหมอมารามลิลาเคายเล่าให้ฟังว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุสี่สิกว่าแต่เป็นมะเร็งแล้วมันก็ลามไปถึงกระดูกตอนที่ไปเยี่ยมนยเนี่ยคนไข้เนี่ยปวดมากยานี่ก็เอาไม่อยู่นอนไม่ได้นะต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบตัวงอนปากซีด ม, มืองนนี่เมโตโ ต, โตโปวดมากคุณหมอก็เลยอยากจะช่วยนะเลยชวนทำสมาธิคนไข้ไม่เคยทำนะก็เลยแนะนำง่ายๆนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาใจมือที่ลมหายใจนะบริกรรมพุทโทที่แรกเนี่ยคุณหมอมาแล้วคิดว่าเนี่ยคนไข้คนคนี้คงทำได้ไม่เกินหนาทีนะเพราะว่าเป็นมือใหม่แล้วก็ปวดมาก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 และพอปฏิบัติไปนะต่อไปกายก็ช่วยใจด้วยเช่นเวลาเครียดเวลาง่วงนะเราก็อาศัยกายนี่แหละเป็นตัวช่วยนะผ่อนคลายจิตใจนะเช่นเวลาเครียดเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วหรือว่าหายใจเนี่ยลึกอ่หายใจถี่หายใจสั้นนะคนเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยสังเกตแล้วว่า พอเครีแล้วเนี่ยลมหายใจมันถี่มันสั้นแต่ว่าพอลองหายลองตั้งสติสักหน่อยแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, วยาวๆชอบสี่ห้าครั้งจะรู้สึกว่าใจผ่อนคลายหรือว่าเดินออกไปข้างนอกนะชมนกชมไม้มองฟ้านะพอรู้สึกว่ า, ากายผ่อนคลายแล้วเนี่ยใจก็ผ่อนคลายไปด้วยไอ้ที่เคยเครียก็ผ่อนคลายที่เคยง่วงก็สว่างสวายขึ้นมา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 ได้กินได้เม็ดหนึ่งแต่ถ้ารอห้านาทีสิบห้านาทีจะได้กินสองเม็ดเดากทุกคนรู้นะว่าสองเม็ดเนี่ยดีกว่าหนึ่งเม็ดนะแต่ว่าเด็กหกสิเจสิเอร์เซนตเนี่ยเลือกที่จะกินหนึ่งเม็ดนะที่เลือกกินหนึ่งเม็ดเพราะว่าห้ามใจไม่ได้รู้ว่าสองสองเม็ดดีกว่าหนึ่งเม็ดแต่ว่าใจมันห้ามไม่ได้นะอันนี้เพราะจิตใจไม่เข้มแข็ง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 แตพอได้ลงมาได้มาลงมือทําอะไรร่วมกันใช่ได้มาปลูกป่าร่วมกันหรืออย่างที่หลายคนเด็กหลายคนวัยรุ่นเนี่ยนักเรียนวัยรุ่นมาเดินธรรมยาตราลําบากทั้งนั้นนะไม่มีสบายเลยนะแต่ว่าทําไปทําไปแล้วเออเขามีความสุขมันเป็นความสุขใจถึงแม้ว่ากายจะลําบากใหความสุกแบบนี้มันก็ไปเปลี่ยนทิศทีความเห็นในสมองนะว่า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 แล้วก็อารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่ไฟเสฟไฟบริโภคนะมักโกรธเต็มไปด้วยตันหาราคะอันนี้ก็ยิ่งพาชีวิตนะไปในทางที่ตกต่ำแล้วก็สร้างความขัดแย้งกับผู้คนเกิดเรื่องเกิดราวกันมากมายดันั้นถ้าเรามองดูให้ดีนะายศึกขาเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดการความกลมเกลือนกันทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับภายนอกคือระหว่างเรากับสังคมชุมชน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 อ่ารับรื่นความสงบสุขหรือสันติภาพภายนอกด้วยอ่าคำที่ก็พูดกันนี้นะกราบครบ